ยันเวลาเราฟังไปเนี่ยสร้างจังหวะไปด้วยสร้างจังหวะไปด้วยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งถ้ามันเบิกการฟังนะเราจะกลับมารู้สึกที่การเคลื่อนไหวถ้าเบิกการเคลื่อนไหวก็จะไปรู้สึกที่การฟังไม่งั้นแล้วเดียวมันจะไม่รู้ทั้งสองอย่างนี้มันจะไปไหนฟังก็ไม่รู้เคลื่อนไหวก็ไม่รู้มันจะไปไหนจะไปคิด จะไปคิดไปโน่นคิดไปนี่มันก็เลยไม่ได้นะไม่ไ ด, ไได้ไม่มีสติเกิดขึ้นมีแต่ความคิดเกิดขึ้นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตบ้างนะพอเราเพิ่งบวชมานี่ก็ต้องเข้าใจนะเรายัางลักความรู้สึกทางคารวะไม่ไดนะ้เราบริยะสั้นๆเนะก็จะเป็นที่ว่าขณะบวชใหม่ๆ เวลาผมรู้ไหมผมบวชมาเนี่ยฟอผมจะผมเพียงฟอบฟงว่าผมจะฝันว่าเป็นพระได้เนี่ยใช้เวลากี่ปีรู้ไหมเป็นสิบสิบปีนะฝันแต่ละทีเป็นคารวะทุกทีเลยทุกครั้งที่ผมฝันตัวเองเป็นพระแต่ฝันว่าเป็นคารวะที่ไรเนี่ยผมเกิดความละอายใจทุกทีเลย เกิดความเหตุรูปต่อป่าเพื่อละอายใจอะ่ะโอ้ยเรานี้่บทมนันในจิตใจเรานี่ยังไม่ยังไม่เป็นพระนลยนะยังไม่รู้สึกกับวันไหนเนี่ยได่เห็นตัวเองฝันว่าตัวเองได้หม่มจีวรเบินบินทบาทหรือฝันว่าตัวเองได้เดินจงกรมวันนั้นนีมีความสุขมากเลยแต่วันไห น, นฝันแต่ละทียังมาเที่ยวเจ็กเที่ยวบารไปนั่งกินเหราทุกทีโอ้ยวันนั้นนีนอารมณ์ไม่ได้เลยนะ รมภาวนาที่กระเจิงอะนสังเกต ด, ดูมั น, นเพราะว่าการจะเกิดคุณธรรมอีริโอตปาเนี่ยคือทุกคนมีอยู่แล้ว่ะทุกคนมีอยู่แล้วแต่เชื่อไหมการมีเนี่ยกำลังของมั น, นกำลังในการสำนึกบาปมันไม่เค่อยมีเพราะเราว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก คำว่าไม่เป็นไรหรอกเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกเนี่ยมันมันจะค่อยๆสะสมความประมาทให้เราจริงๆชาเร า, าพูดถึงเรื่องจะพูดถึงเรื่องฮีริโอตาปะก่อนนะเอาง่ายๆนะครับอย่างศีลเนี่ยพวกเรามีศีลตั้งสองร้อยี่บเจ็ดใช่ไหมรักษายากไหมนเมื่อวานพาข้าไะยกยกยก ก e? an 네็อีก็เห็นท <art> ่านนะท่านมีฮิริอุตปังไวาจะเหยียบมดตายจะเหยียบมดตายท่านระวังล้วมันยากแต่รู้ไหมถ้าเราอยู่นานๆเข้าเนี่ยเราจะรู้จักวิธีรักษาศีลง่ายที่สุดเลยสุดท้ายเนี่ยรักษาศีลเนี่ยทั้งหมดนยจะเป็นกี่ข้อกี่ข้อกรชั้นจะเป็นร้อยข้อพันข้อกระชันมีแต่มีอยู่แค่สามข้อนั่นเอง เรื่องราวทั้งหมดของสีที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างอทุกเรื่องนะั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดที่สามทางเราสังเกตไหมสมมติว่าทางที่หนึ่งคือทางกายทางกายเนี่ยเราไปทํามาเราไปทําไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนิกามเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนิการดื่มเหล้าเมานี่เป็นทางไหนเป็นทางไหน ข้าศัตเป็นทางไหนอ่ารักทรัพย์เป็นอย่างไหนกายใช่ไหมปรพฤติผิดใ น, นกรรมเป็นอย่างไหนกายอีกใช่ไหมดื่มน้ําเมาเป็นทางไหนกายใช่ไหมฉนั้นเรื่องเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแค่นี้ยมันผิดทางกายส่วนวาจาที่ผิดทางไหนพูดเท็จใช่ไหมพูดเท็จพูดสอเดเสีดพูดคําหยาพูดเพชเชอฉะนั้นผสุดท้ายสรุปเราศีิบห้าเนี่ยรักษากี่ข้อ อ่าศีลรักษาแค่สองข้อกายกับวาจาแล้วไอ้กายกับวาจานี่แหละพอไปทําผิดปุ๊บมันจะเกิดเรื่องไงพระพิเาอะ่ะเวลาพระไปทําผิดทางกายก็จะบัญญัติว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างไปกินข้าเย็นนี่ผิดทางไหนผิดทางไหนเห็นไหมพอผิดทางกายพวกพระพเจ้าบัญญัติรัาธรรมครั้งนี้ตั้งต่อไปนะพิสูจอย่าไปทํานะใช่ไหม ไปดื่มแล้วเมาก็ผิดทางกายอีกไปพูดเท็จพระเจ้าก็บอกอย่าไปพูดเท็จนะก็ผิดทางไหทางวาจาฉันถ้าเราดูดีๆสินะสีลที่เขาพูดอย่างนั้นนั่นเรื่องของการผิดสีนต้องแยกให้ชัดๆนตะ้องเรื่องของการผิดศีนกับสถานที่ที่ทําให้ผิดสีนสถานที่ที่ทําให้เกิดเรื่องราวแบบ น, นี้มีทั้งทางกายกับทางวาจาใช่ไหมทั้งหมดเนีย อย่างกฎหมายบ้านเมืองทั้งหมดเนั่นกันมันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเน่ยทางกายกับทางวาจาเป็นหลักใชก็เลยเป็นหยัดเรื่องมาอย่าไปทําอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยอยไปฆ่ากันนะฆ่ากันที่จะผิดนะใช่ไหมผิดติดคุกติดตารางขึ้นโรงขึ้นศาลใช่ไม่มแต่คนสุดท้ายที่ไปฆ่ากันผิดทีงไหทางกายเอากายไปทําอ่ะใช่ไหมเอาปากไปยิงก็ได้บ้าไปสั่งคนอื่นได้แต่ตัวเองไม่ได้ทํา ใช่ไหมนี่แหละจึงว่าถ้าเรารู้จักรักษาศีนี่ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนระระวังระวังสองเรื่องระวังร่างกายอย่าไปทำกับราวังวาจาอย่าไปพูดสองอย่างนั่นเองรักษาศีนี่ทีนี้เวลาเราทำไปเนะี่ยสังเกตไหมเราไม่เคยมีหหรอโอตปก็ต่อการกระทาผิดทางกายใช่ไหมเดี๋ยอไม่เป็นไรอนระ<ม>ให้อภัยตัวเองเรื่อย ทำผิดๆนิดหน่อยให้อภัยตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเป็นยังไงพอแรกๆมันจะเล็กน้อยพอเริ่มเริ่มเข้าข้างตัวเองเรื่อยๆพวกเอวนนเเนะ้วันนี้ไม่เป็นไรหรอกะวันนี้ไม่เป็นไรหรอกพอไม่เป็นไรบ่อยๆเข้าไปยังไงทีนี้ผอมเกิดเรื่องราวใหญ่แล้วทีนี้ไม่ได้ละเอาไม่อยู่และ้ะเอาไมาอ่อยู่ยิ่งถ้าเรามีเหตุอุปตปาจะไปต่อสิ่งที่เราพิดเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆแล้วสํามึกเรื่อยๆสํานึกทุกครั้งเรารู้ไหมเวลาเราพงอภัย ตรงยังไงตรงอาบัตินี่เป็นเหมือนกับการสรารภาพบาปสรารภาพบาปเนี่ยตรงอาบัติเนี่ยเป็นการสรารภาพบาปเคยเห็นไหมที่เขาไปไปโบสถ์กันเนี่ยเขาไปสรารภาพบาปกันเนี่ยที่จริงตรงอาบัติเนี่ยเป็นการสรารภาพบาปนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเข้าใจผิดแล้วพระเริ่มเข้าใจผิดว่าตรงอาบัติก็เหมือนกับทาผิดแล้วทําบาปแล้วตรงมันตกไม่บาปอีก นามผมสัพพาตาอปาติโยอรยูจมิส่วนก็นได้บ่าเนี่ยอาบัติโอ้โหไม่ได้เลยใส่อาบัติัวใหญ่ลเลยสัพพาตาอาปาติโยอรูจมิคือเป็นการบอกถึงอาบัติว่าผมได้ไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ผิดมาได้มาเปิดเผยให้เพื่อนฟังสมมุติว่าคนคพระองค์หนึ่งนะไปตกยุงปับ๊บแล้วไปบอกเพื่อนว่าเนี่ยผมผิดนะก็ตกยุง พระองนั้นก็จะบอกว่าไม่เป็นไรท่านจงสมรวมเถิดอ้าวเดี๋ยวไปตกยุงอีกแล้วก็มาปรองอีกท่านก็บอกไม่เป็นไรสมรวมเถิดเริ่มขิดเสียงแข็งแขก ข, ข, ขึ้นแล้วนะถ้าเราไปตกยุงอีกแล้วไปโปรงบ่ดอีกเอ้ท่านนี่ทําไมไม่รักษาเลยเราจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็มีศักดิ์ศรีเราเป็นคนกันใช่ไหมเรามีศักดิ์ศรีควาเป็นคนมันจะเกิดที่อุอตตระปากขึ้นมา เพราะว่าถ้าเราไปทําบ่อยๆบ่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปมีพระรูปหนึ่งที่ท่านมีอบอัดอยู่ข้อเนี่ยจะส่งกระจกของพระนะวันนี้เราคุยกันแบบพระพระแล้วกนะันส่งกระจกทีนี้เวลาส่งกระจกปุ๊บเนี่ยท่านว่าจะเป็นอแบบทุกกดทั้งก็ไปปรมกับเพื่อนว่าผมไปส่งกระจกมานะแล้วก็ไปสัพพาราอภิโยโรจมิครั้งที่สองเดี๋ยวเพลอไปส่งอีกเพราะอุปนิสัยท่านอยากหล่อ ส่งดูสิวดูฝ้าดูอะไรแต่ส่งเพื่อโกนผงโกนอะไรนี่เป็นอย่างหนึ่งส่งส่งดูว่าตัวเองแก่หรือยังตัวเองหล่อขึ้นหรือเปล่าเนไยไปส่งที่ไปส่งปุ๊บแล้วก็ไปโปร่งอาบัตไปส่งปุ๊บปุ๊บงหมบปุ๊บทั้งวัดเลยไม่ได้ไม่ได้มีแล้วว่าวุ่นกับพระอหละส่งแล้วโปร่งส่งแล้วโปรงส่งโงจนกระทั่งทั้งวัดก็ทํายังทันวัดประชุมกันหรือเ่าเท่าพระรูปนี้มาโปร่งอาบัติเรื่องนี้อีกนะทุกคนอย่าให้โปร่งนะ ไม่ให้โทรง่งที่ท่านจะทำยังไง ท, ทีีด้วยความรู้สึกทิ้งกันเอา้าเราก็เป็นคนเหมือนกันนี่เราไปทำอย่างเงี้ยบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเกิดอีงดิคือความละอายละอายละอายที่จะไม่ทำตรงเนี้ยยการการไปแสดงแสดงที่งความผิดเขาบอกว่าพู้เจ้าเลยบอกว่าเรามีความผิดอะไรเนี่ยควรเปิดเผยให้คนอื่นรู้ แต่ถ้าเรามีความดีอะไรไว้เนี่ยคนเก็บไปเหมือนคนเก็บทองคําไม่คนเปิดเผยแต่ปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงรู้ไหมโอ้โหความดีนี่เปิดเผยแหลกลายเลแต่ความชั่วยันปิดมิดเลยไม่ให้ใครรู้เรื่องเลยวันจะเน่าเนี่ยนั่นเวลาเราเราถ้าเราบริสุทธิ์กับเราเองเนี่ยมีอะไรผิดผิดนี่เปิดเผยไปเลยเปิดเผยให้หมดเปิดเผยเปิดเผยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้คนรอบเราข้างช่วยเตือนเราช่วยเตือนเรา ่ไปผิดอะไรมาช่วยเปิดเผยแต่ถ้าเราไม่เปิดเผยนะคนรอบข้างไม่รู้เรื่องเขา ใ, ใครก็จะเตือนเราใช่ไหมเมื่อเราเตือนตัวเองไม่ได้นะต้องให้คนอื่นช่วยใ น, น, นกรณีของพระสงฆ์เหมือนกันที่ท่านปรองอาบัยเนี่ยเพื่อให้เพื่อนช่วยเตือนช่วยเตือนเพื่อให้มัรู้เสียงศักดิ์ศรีของความเป็นพระก็มีอยู่ศักดิ์ศรีของความเป็นคนก็มีอยู่ใช่ไหมเราใช้เขาดูถูกได้ยังไงคนส่วนใหญ่เป็นอย่างเนี้ยเวลาทําอะไรผิดนี่โห กับไม่เปิดเผยตัวเองกับปกปิดซ่อนเร้นไวาทีนี้เวลาทําผิดไปมากเข้ามาเข้ามาเข้าไปถึงเวลาเป็นผลใหญ่ขึ้นมาพวกเนี่ย เ, เอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่เลยปัญหาจึงเกิดขึ้นเยอะอ่าเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าเราเปิดเผยตัวเองเรื่อยๆเนี่ยความดีไม่ต้องไปประกาศใครๆหรอกความดีอ่ะเก็บไว้เป็นอยังการเก็บทองคําเก็บไว้ลึกๆเก็บไว้มิดๆไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องใครเห็นก็แล้วหรอกเรารู้ของเราเราจะได้รู้ไหม ความดีที่เราเก็บไว้เราจะได้ภูมิใจกับเรานานๆใช่ไหมไปเปิดเผยคนอื่นแล้วโอ้ยมันรู้แล้วมเป็นไรหรอกมันก็เลยเป็นเรื่องที่อะไรจืดชืดไปเลยแต่ถ้าเราเก็บของเราไว้นี่นะเวลาใครดูถูกเราเราเร า, เราจะมีกําลังความดีเมืออไม่รู้จักกูหลอกใช่ไหมเราเก็บของเราไว้คุณไม่รู้จักตัวฉันจริงๆหรอกว่าฉันเป็นคนยังไงแต่ถ้าไปเปิดเผยบาทีบางคนนะทำความดีนะได้เงินร้อยหนึ่งให้เขาประกาศอยูนั่นแหละ ใช่ไหมหมดเลยหมดความชิ่นใจตัวเองเลยแต่ถ้าเก็บไว้ตนนั้งนานนะโอ้พวกนี้เขาไม่รู้จักเราก็เราเป็นคนยังไงใช่ไหมปิดทองหลังพระอย่าไปปิดทองหน้าพระไม่ดีเช่นไอ้ความไม่ดีต่างๆของเรานพระเจ้าท่านบัญบอกไว้นะที่สุดทั้งหลายความชั่วของตนเองเปิดเผยให้เพื่อนรู้เยอะๆเพื่อจะยึดสะกิดดำสะกิดเตือนใจเราคอยดักสะกิดเราอย่างผม มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมผมเป็นพระทีนี้ก็ไ ป, ไปเปิดอบรมกับหลวงพ่อนี่แหละทีสมัยก่อนไปเปิดอบรมที่นู่นที่นี่ที่นั่นกับหลวงพ่อนี่แหละทีนี้ไปเปิดอบรมก็จะมีทัานผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดใช่ไหมลอยฟังเลยนะเนี่ยเอาเรื่องจริงๆเลยแหละทีนี้มันมีผู้สาวมาติดเป็นพระนี่เนื้อหอมนะมีผู้สาวมาติด เออทีนี้เขาก็สมัยก่อนถ้ามันมีโทรศัพท์มัแย่เลยนะเมื่อก่อนผมพอมีผู้สามาติดปุ๊บสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์มันมีจดหมายส่งมาส่งมาเขียนอย่างนั้นอย่างนี้เขียนเสร็จแล้วผมทํำยังไงก็ไม่ผมจะทำยังไงดีว่าถ้าคนนี้มาจะให้ช่วยยังไงดีผมก็เอาตั้งสือไอ้จดหมายเนี้ยที่เขาเขียนมาให้เพื่อนอ่านเพื่อนก็ล้อแล้ว เพื่อนก็ลอเราให้เพ uh uh uh ื uh ่อนอ่านทั uh ้งหมดเี uh ่ยไม่ไม่ป uh ิดบ uh uh ังให้เพื่อนอ่านไว้ให้เพื่อนได้รู้จักว่านี่นะคนนี้นะเขาคิดกับเราอย่างนี้นะเพื่อให้เพื่อนได้ช่วยไม่งั้นละอยู่ไว้รอดให้เพื่อนได้อ่านพอพอผู้สาวคนนั้นมาปั๊บทำยังไงรู้ไหมเพื่อนที่รู้รู้กแล้วมันก็เหลีเราแล้วก็เหลีเราเขาก็มองเราเอ๊ะมองเราไอ้เนี่ย เด็กอาจารย์มาแล้วเด็กอาจารย์มาแล้วพอพอเราทํอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บเราเกิดที่โอตระปาละอายต่อไปต้องมีวิจฉีนะคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคนนี้มากับผมแบบนี้เขาไม่ได้มาตั้งใจเข้ามาแต่เข้ามาอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้เวลาเขามาพวกคุณเข้าไปรับหน้าที่แทนผมชิ่งเลยให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปรับหน้าที่แทนเข้ามาหาเราแต่ไม่เจอเรา แต่เพื่อนไปรับเองถ้าจะมาถว า, ายสังฆท า, านก็เอาเพื่อนไปคนนี้บางคนรู้บ้างนันเข้านันเข้าเป็นยังไงรู้ไหมความรู้สึกที่ก็มีอย่างนั้นกับเราพอเรารู้ทันแล้วเราก็เพื่อนรู้ด้วยเพื่อนก็ช่วยกันผลไทยเป็นไงเขาก็ไปเขาก็ไปเขาเปลี่ยนจากสิ่งนั้นมาเป็นสตางเขาก็ไม่ได้เป็นคิดแบบนั้นอีกแต่ถ้าเราปกปิดไว้เป็นยังไงรู้ไหมเนี่ย นี่คือถ้าเรามีฮีริโอตปะที่จะเปิดเผยตัวเองต่างความเป็นจริงฉันเป็นอะไรก็บอกให้ฉันรู้เป็นอย่างนั้นแหละแล้วฉันจะค่อยๆพัฒนาตัวฉันได้นี่ก็เรว่ามีฮีรนะมันจะเกิดอีริขึ้นมาเกิดความละอายเกิดความเกรงกลัวคือฮีรินี่คือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวคือเกรงกลัวผลของวิบ่าวกรรมเหมือนกับที่ผมว่าถ้าผมปกปิดไว้ไม่บอกใครหมกเมว็ดไว้แล้วก็ แล้วก็คุกคีกับโยมคนนี้บ่อยๆวิบากกรรมมันจะทําังไงรู้ไหมวิบากกรร ม, มจะเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวผมจะต้องไปสืบเดี๋ยวผมจะต้องไปแต่งงานเดี๋ยวผมจะต้องไปเลี้ยงลูกเดี๋ยวผมจะต้องไปทํางานเดี๋ยวผมจะต้องไปหนีกินสินเดี๋ยวผมก็จะไปร้อกับเขาใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะต้องมีวิบากเยอะแยะมากมายจนโหไปไม่รอดแต่ถ้าผมเปิดเผยพวกวิบาคกคนนี้จะมีไหมเพราะผมไม่เรื่อมมันจะมีไหมไมันไม่มีเรื่อง เกงกลัวต่อวิบากวิบากที่จะรับเหมือนเราทําอะไรผิดแล้วเราปกปิดไว้ปกปิดไว้จนเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นวิบากแล้ววิบากเนี้ยเราใครรับเราทําอะไรเราก็รับอันนั้นไม่มีใครแบ่งปันให้เรานะจะบอกให้วิบากทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยเราทําแบบไหนกรรมทั้งหลายทั้งปวงกิรกรรมวิชีกรรมมโนกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีการแบ่งให้คนอื่นได้ด้วย จะบอกให้คุณทําคุณต้องรับนะมันเหมือนกับเราแง่งขึ้นท้องฟ้าแล้วก็ถมทาลายขึ้นไปมันก็ตกใส่หน้านี่คือเรื่องของมันฉะนั้นมั น, มนจึงต้องทุกวันเนี้ยถ้าเราไม่มีตรงนี้นะเราจะรู้จักว่าเอ๊ะทําไมปญัญหาชีวิตเราจึงเยอะแยะมากมายเลยเราอยู่เนี่ยทําไมมันเรื่องมันเยอะมันมากมาจที่จริงเราทําวิบากอะไรไว้เ ล, ล็กน้อยน้อยโอ้โอ้ตปากคือวิบาก เป็นโกต่ผลของวิบากกรรมที่เรามานั่งได้ตรงนี้เนี่ยเรามีวิบากไหมมีใช่ไหมแล้วที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เรามีวิบากไหมมีใช่ไหมเรามีลูกมีเมียเรามีวิบากไหมมีเราทํำมาเราต้องทํามาหากินเรามีวิบากไหมมีใช่ไหมเราเกิดมามีวิบากรู้ไหมเราเกิดมาพุกวิบากของเราคืออะไรวิบากของร่างกายคืออะไรรู้จักไหมวิบากรู้จักคำว่าวิบากไหม เคยี่เห็นก็ขี่รถวิบากไหมมันวิบากคือวิแล้วลําบากอย่างนั้น <c ười> คือพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราต้องกินข้าวใช่ไหมพอเราเกิดมาปุ๊บเรามารับกรรมกรรมคือมีร่างกายเมื่อมีร่างกายปุ๊บก็มีวิบากของร่างกายใช่ไหมวิบากของร่างกายคืออะไรเนี่ยเราหนาวไหมหนาวเพราะอะไรพอมีร่างกายพอมีร่างกายปุ๊บก็มีวิบากต้องมารับวิบากกรรมขึ้นหนาว อ้าวเดี๋ยวเราต้องกินข้าวไหมกินข้าวเพราะอะไรเรามีร่างกายใช่ไหมเราต้องกินกินแล้วเราต้องไปทํางานไหมต้องไปทําต้องไปหาเงินหาเงินแล้วหาเงินมางทีกต้องไปฆ่าสัตว์ต้องไปรับทรัพยต้องไปขึ้นนิกายเนี่ยมันเป็นวิบาตถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะต้องกินข้าวเราต้องหนาวต้องร้อนไหมไม่เท่าถ้าการได้เกิดมาเนี่ยทุกคนเกิดมาปุ๊บมารับวิบาติกรรมของตัวเองทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยต้องเจ็บต้องป่วยเพราะอะไรรับวิบาตของตัวเอง ทำวิบากมาไม่ดีก็ต้องรับวิบากฉะนัน ก, การเกิดมาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่สนุกเลยนะเป็นเรื่องที่แบดทุกข์ไปจนวันตายเนี่ยเราถามดูทีดีถามร่างกายเราดีดีนะเราเคยเอากับของดีๆให้มันกินเนะี่ยแล้วมันมันเป็นดีกับเราไหมละ่ะเอาของดีของแย่ให้ไหมมันก็ไม่ดีมันจะมีแต่แย่ไปเรื่อยแย่ไปเรื่อยใช่ไหมแย่ๆมัน ก, มก็ดีหน่อยเ ป, นนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีหน่อยอายมาุมากขึ้นมากขึ้นมันดีไหมหลวงพอ่อ ดีไหมองค์พ่ออะไรที่เป็นนัน่นนะตัวตัวสนุกตัวสนุกดิกลงอ่ะดีไหมอายุมากเนี่ ย, ยตรงพี่ที่เนี่ยใช่ไหมดีไหมเพอมันมีร่างกายแล้วเป็นไงมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยถ้าไม่มีพวกมันจะไม่ต้องเจ็บต้องปวดต้องเมแต่พวกเราก็าอะไรไม่รู้จักนี่เราวิบากวิบากกรรมต้องมารับผลกรรมแต่ถ้าเราไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่ เราสบายเลยเราสบายเลยนะยันอิริคือความละอายเปิดเผยความชั่วคนตนเองให้เยอะๆแต่อย่าไปทำท่านะเปิดเผยแล้วอย่าไปทําบอกไปเลยอะไรไม่ดีไม่ดีที่บอกไปเลยแต่อย่าไปทําเพื่อให้ช่วยเพื่อนช่วยกันเตือนนะฉันผิดอย่างนั้นท่านผิดอยนีน้พระท่านตรงอบัติแบบนี้แหละเปิดเผยแต่สิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยแก้ไขได้ไหมไม่ได้มันทําไปแล้ว ที่จะแก้ไขได้คือตั้งแต่นี้ต่อไปเราไม่ทําอีกมันง่ายนิดเดียวเวลาจะแก้ตัวเองไม่ต้องไปสอดเดาะเคราะห์ไม่ต้องไปต่อชะตาไม่ต้องไปหาหมอดูหมาเดาอะไรหรอกไม่ต้องไปไหว้พระก้าวัดก้าววาอะไรที่ไหนหรอกถ้าคุณไปทําพวกนั้นแต่คุณไม่แก้พฤติกรรมของคุณจะแก้ไขได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมว่าฉันทําไม่ดีอย่างนี้นะไปไหว้ที่โน่นไททหว้ที่นี่ไปทําที่โน้นที่นี่เสร็จแล้วมันจะได้ไหมว่าจแก้พฤติกรรมของตัวเอง แต่เรารู้ว่าอันเนี้ยไม่ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทําอีกจบไหมนี่เรียกว่าแก้กรรมแก้กรรมมันแก้ที่ตรงนี้ไม่ใช่ไปแก้กรรมไปให้อาจารย์โน้นแก้อาจารย์นี้แก้อันนั้นจะนนั้นแก่แตไม่แก้นิสัยตัวเองจบเลยเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมแก้กรรมคือแก้ที่เดี๋ยวเนี้ยเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ผิดแล้วต่อไปแต่จากนี้ไปเราไม่ทําอีกจบ ไม่ต้องไปหาใครให้มาบอกมาสะดเดาะเเคราะห์มาต่อชะตาไม่ต้องไปถวายสังฆทานให้เสียเวลาเดี๋ยวถวายบ้านก็ดีเหมือนกันไ <c oughs> ม่งั้นจะพระจะไม่ได้มีกินนั <c> ่น <oughs> เราต้องรูจ้จักวิธีแก้ชีวิตจะไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตคุณต้องรู้จักให้ดีถ้าคุณไม่มีสติสัพชัญญะเนี่ยมันจะระลึกตรงนี้ไม่ได้มันจะไม่มีฮีลิโอตปะสติการฝึกสติเพื่ออะไร ฝึกสติเพื่อให้มารู้จักตัวเองการฝึกสติทั้งหมดเนี่ยให้พิจารรู้จักตัวเองเราเป็นยังไงเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีสติแล้วทุกครั้งนะเราชอบเข้าข้างตัวเองด้วยชอบชอบจับผิดตัวเองด้วยชอบจับผิดคนอื่นนะนิมนต์ชอบจับผิดตัวเองด้วยชอบจับผิดคนอื่ น, นะน เราทำผิดแท้แต่หาคนอื่นแล้วแหละทําให้อีกใช่ไหมเราชอบจับผิดคนอื่นเพราะอะไรเราชอบจับผิดคนเนี่นเพราะเราไม่มีสติอยู่กับตัวเราถ้าเรามีสติอยู่นะถ้าท่านตั้งใจทําจริงๆนะท่านจะเห็นเลยถ้าท่านทำจริงๆท่านจะเห็นบาปของท่านไต่หมดเลยมันมาในรู้ของความคิดถ้าท่านตั้งใจยกมือสร้างจังหวะจริงๆเนี่ย สองสามวันจากทีนี้ไปเนี่ยมันจะมาในรูปแบบรูปแบบความคิดมีเดี๋ยวนี้เป็นพระและมีพระรูปหนึ่งไม่เอ่ยชื่อดีกว่าวันนั้นที่มาหาผมที่วัดแท่แสงเทียนที่ผมอยู่นะเมียเอามาส่งสภาพที่มาส่งเป็นยังไงัหมกินเหล้ามามันเมามันเมาขนาดกลิ่นที่อยู่ด้วยนี่ผมก็ผมก็จะเมาแทนอันเมา ผมก็ไม่ได้ทําอะไรกับเขาหรอกอะคุณจะอยู่นะเบียเอามาส่งแนละ้วเบีไม่ไหวแลนะวทาการทํางานไม่ได้เรื่องนะชอบเลยพวโยมพวกโยมๆก็เหมือนกันเนะชอบเอามาส่งของไม่ดีไม่ดีมาส่งไว้วัดเสร็จแล้วนะพอเราฝึกดีเรียบร้อยแล้วเป็นไงไหมเอาไปใช้อีกโอ <sk r isa> เหนื่อยไม่จบเราฝึกดีๆเรียบร้อยแล้วแทนที่จะเอาไปกําลังวัฒศาสนาเอาไปใช้อย่างเดิมอีกแล้วเสียมาก็ให้พระซ่อมอีกอะไรเงี้ยเรื่องเบือ่อ แต่ละคนรู้ใช่ไหมว่าเลาะอยู่แน่ฉะนั้นพระองค์นี้นะท่านมาปับ๊บเมาก็เมามาผมก็มีอะไรก็บอกอ่ะข้อวัดที่วัดเป็นอย่างงี้อย่างนี้อย่างงี้นะห้ามอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามอันนี้นะแล้วตื่นทีสามนอนสามทุ่นะแล้วภาวนาทั้งวันนะพาไปหาที่พักเสร็จแล้วก็ปุ๊บอ่ะเดินจงกรมอยู่ตรงนี้นะผมไม่ได้สอนน้อยหรอกให้เดินจงกลมสร้างจังหวะนี่แหละ ไม่ดิเถียดด้วยถ้าทำอยู่แล้วก็ตั้งใจทํำนะสงสัยมันจะกินบอกมันจะสั่งหลานใช่ไหมว่็ตั้งใจทําไปทำมาก็ตั้งใจทําอย่างนี้เลยเดินจงกรมเนี้ยเราเฝ้าเราก็เฝ้ า, แ, าแบบหลงพ่อท่านเฝ้านี่แหละไม่ให้พวกเราไปไหนนี่แหละเฝ้าอเดินจงกรมสร้างจังหวะปายเนี่ยพวกเราต้องชินใจ ใ, นใจรู้พ่อบ้างนะทานเท้าไเนีเ่ยเดินจงกรมสร้างจังหวะไม่ต้องเรียนต้องสอนเลยเลยได้หวันสัก สามวันเนี่ยโอ้มันมันขึ้นมามันทะลักถึงความชั่วของตัวเองขึ้นมามันเห็นหมดเลยตัวเองที่เคยไปทําอะไรมาทั้งหลายพวกนี้ไปเคยไปเอาเงินไปกินเหล้าไปทะเลาะกับใครกันไงกับใครแล้ ว, ล ว, ว ม, ลมันจะรู้หมดเลยว่าทําไมเงินทองทั้งหลายทั้งปวงที่ตัวเองมีหาได้ไม่เหลือเลยสักบาทมันจะขึ้นมาเลยมันจะขึ้นมาในรูปความคิดก่อนความคิดชั่วชั่วความคิดไม่ดีความคิดที่ตัวเองไปทําไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยนะมันไหลไหลไหลขึ้นมาหมด เขามาสภาวะบาปยัผมนี่ทำไมมันชั่วสุดสุดเพราะผมได้ยินอย่างนี้เพราะผมนโมทนาเลย <c oughs> เขาเริ่มจะเปลี่ยนัะเพราะเขาสำรวจตัวเองก็ได้โอ้คนนี้เริ่มไปได้เริ่มดีนะจากนี้ไปนี่เขาจะเริ่มดีขึ้นเพราะเขารู้จักเอาเขาสามารถที่จะพูดได้เลยเขาชั่วไม่มีคนพูดว่าตัวเองชั่วเลยนะใช่ไหมถึงชั่วแค่ไหนก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองชั่ว ใช่ปะ ม, มันเข้าข้างแต่ว่าด้วยการกระทําต้องการฝึกรู้สึกตัวแล้วมันไปกระทงมันเป็นกระทุงอารมณ์ขึ้นมาไปกระท้งเรอยกไปสํารวจพวกท่านอยู่ตรงนี้ปุ๊บอะท่านจะเริ่มถ้าท่านอยู่ข้างนอกท่านไมมีเวลาได้สํารวจหรอกเดี๋ยวก็เรื่องคนโน้นเดี๋ยวก็เรื่องคนนี้นเดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องอันนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยแต่ท่านอยู่นี้มีเรื่องอะไรไม่ไม่มีคงคพ่อทําไมถึงจะเก็บโทรศัพท์รู้ไหมไม่อยากให้ท่านเอาเรื่องอื่นมาก่อน เพื่อท่านจะได้ดูว่าข้างในของท่านเองเก็บอะไรไว้มันเก็บก็อย่างดียิ่งกวา่าตู้เซฟจะบอกให้เท่าเทาไม่รู้จักรหัสมันนี้แกะไม่เป็นนะมันมีรหัสนะเท่ารหัสนั้นคือถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะไปไขรหัสออกมาไม่ได้แล้วของข้างในที่มีอยู่นะมันจะไม่เปิดเลยท่านลองทําดูสิทำจริงจริงแจังๆแล้วไม่พูดกับใครท่านจะเห็นเลยว่าโอ้โหเรานี่มันพูดคนเดียวเยอะจัง สังเกตไหมนั่นเนี่ยทุกท่านไม่พูดนะลองดูดีๆนั้นในสมองท่านน่ะเสียงในใจก็มี <c oughs> เสียงในใจก็มีใช่ไหมชิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็มีไม่ใส่ใจก็มีเบื่อก็มีเซงก็มีใช่ไหมสังเกตดูมันคุยเข้มาบทีก็ร้องเพลงก็มีใช่ไหมแต่พระเจ้าปรับอาบัตใจร้องเพลงเป็นอาบาัติทุกกฎอาบัตปฏิทิแล้วพวกเราเสร็จหมดแหละไม่มีเหลือบันที่เดินจมกลมไปใช่ไหมร้องเพลงเฉยเ ผมเป็นนะไม่ใช่ผมไม่เป็นทั้งหมดนี่ผมเป็นมาหมดแล้วแหละ ผ, ผมพอราใหม่ๆปุ๊ บ, บ่ะเดี๋ยวเพลงก็ขึ้นอีกแล้ว<ม>ทํายังไงดีคนน่ะมันเป็นหมดเลยครับมั น, นสมคนสุดท้ายเท่าเรามีสติปั๊บนี่นะมีความรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยก็สนใจการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยจิตทั้งหลายทั้งปวงที่มึงวิ่งแล่นไปที่อื่นน่ยมันจะกลับกลับมาสํารวจตัวเองแล้วพอสํารวจตัวเองได้ปั๊บนี่นะมันจะมีกําลังในการแก้ตัวเอง แล้วถ้าทําจริงๆเนี่ยไม่ต้องห่วงมันจะแก้พฤติกรรมและนิสัยของเราทั้งหมดมันแก้ที่ไหนก่อนรู้ไหมมันแก้ที่ใจก่อนแก้ที่ใจก่อนใจที่เคยหลงอารมณ์ใจที่หลงไปกับความคิดใ จ, ใจไปหลงกับตัวเองใจไปหลงกับความรู้สึกพวกนั้นนะ่ะต่างๆเนะี่ยมันแก้ก่อนเหมือนพระรงคนั้นพอท่านทําไปได้สักสามวันเป็นอย่างนี้พอวันที่สีนะ่ที่ห้าเนี่ย ท่านเริ่มได้ภาวะดีขึ้นท่านบอกว่าพอทำไปถึงวันที่สี่ที่ห้าแล้วพวกเนี่ยพอถึงวันที่เจ็มันใจกำหนดกลับมันมีบางสิ่งมาบอกท่านบอกว่าอยู่ต่ออยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะดีพราุท้ายทั้งหมดเนี่ยอยู่ไปสิบห้าวันสิบห้าวันกลับไป <laughs> กลับไปบ้าง ไปเจอเพื่อนมันเป็นบ้าเลยอ่ะชวนกินเล่าก็ไม่กินมันเป็นบ้าอะไรไปทําอะไรมาเลยแค่สิบห้าวันเพื่อนบอกอชวนกินเหล่าก็ไม่กินชวนเล่นก็ไม่เล่นโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยทุกเรื่องตีไก่กินเล่าเล่นไผ่เอาหมดทุกอย่างอวาัายจะมุก็ไม่มีเหลือแต่วมื่อี้ทําไมมันนี่เอาเลยมันบอกไปทําไม่ได้มันเกิดที่ตัวโอตาปากเห็นวิบากที่ตัวเองทำทำมาแล้วเป็นยังไง นี่สินทั้งหลายทั้งปวงเป็นนี่เป็นล้านเน่ะแต่หลังจากเขากลับไปใช้เวลาไม่กีดใช้เวลาแค่ปีเดียวใช้นี่หมดจะมีเงินเหลือเป็นล้านนี่กลับมาหมดเนี่ยเออเดี๋ยวซ่อมได้ซ่อมได้แล้วใช้ได้ฉะนั้นไม่น่าเชื่อแค่การตั้งใจรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกตัวกับตัวอัเนี้มากลับมารู้สึกตัวจะไม่น่าเชื่อว่ามันมีอา น, นิสงส์นะดูคนคนนั้นนะ ถ้าไปหาหมอดูไปหาพระดูดวงไม่ให้เมียสอนใครสอนมันจะเลิกไหมไม่เลิกหรอกแต่ผลสุดท้าย ใ, ใครสอนรู้ไหมตัวเขาเองสอนตัวเองยันตัวเองสอนตัวเองเนี่ยมันสอนตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมแต่ถ้าให้พระสอนเน่ยเดี๋ยวพวกท่านมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งเดี๋ยวท่านศึกไปแล้วใครสอนที่นี้พระไม่มีสอนแล้วทีนี่เออเราไม่มีใครสอนแล้วไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหม มันก็ไม่ได้หสิแต่ถ้าตัวเองสอนตัวเองปุ๊บคุณไปทําที่ไหนแบบหลวพ่อว่าเนี่ยที่รับไม่มีในโลกเมื่อก่อนผมเหมือนกันเมื่อก่อนผมโกหกแม่สมัยโยมไปโกหกแม่เราจะต้องโกหกแม่เพื่จะได้สตังค์เพิ่มขึ้นจะได้กินขนมเยอะออกอุบายไม่มีใครรู้หรอกแต่เชื่อไหมตัวเองรู้ว่าตอนเนี้ยเรากําลังโกหกอยโกหกอยู่เอาง่ายง่ายถ้าโยมถ้า พวกท่านมียมผู้หญิงเนะี่ยท่านเคยกโกหกยงผู้หญิงไหมแต่แต่เชื่อไว้ใครรู้ท่านก็รู้อยู่ตัวเองท่านใช่ไหมฉะนั้นตัวนี้แหละแต่เท่าท่านฝึกดีๆแล้วมีฉิดในใจพวกท่านจะมีครูบาอาจารย์ในตัวเองจะเอาสติสัม ป, ปชัญญะเอาฮิริโอตปะเป็นครูทุกคนมีหมดแหละผมไม่เชื่อหรอกว่าทุกคนไม่มีความละอายเลยนะี่ทุกคนมีหมดแหละ ทุกคนรู้ดีรู้ชู้มันไม่ต้องสอนหรอกแต่มันไม่มีกำลังมันไม่มีกำลังในการที่จะตัดให้มันขาดเลิกให้มันได้ทุกคนมีหมดแหละไม่ต้องไปบอกก็หรอกใช่ปะ่ะแต่กำลังในการที่จะควนมันกำลังที่จะฝื้นมันกำลังที่จะฝึกมันให้เข้มแข็งนีมันไม่มีแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องให้เพราะกำลังก็มันคือสมาธิสติเป็นสิ่งที่ชี้บอกว่าอะไรเป็นอะไร สมาธิเป็นกำลังที่จะตั้งมั่นที่จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ชี้บอกสิ่งนั้นและปัญญามันจะเป็นตัวตัดสินว่าควรทําไม่ควรทํามันจะเป็นอย่างนั้นแต่สติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกถึงชี้บอกว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วสติจะเป็นตัวระลึกตัวระลึกถึงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วตัวสมาธิคือตัวกาลังจะตั้งมั่นเอามันคิดชั่วเท่าไหร่แต่เราตั้งมั่นอยู่มันจะเป็นยังไงไหม ใจไม่ไปตามอะไรไม่ไปตามจะเกิดไหมไม่ทํากายกรรมวิชกรรมไม่กรดิกศีลรักษาได้ฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือตัวสติคือตัวระลึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยตัวที่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมารู้กายรู้ใจของตนเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญผมอยากจะให้เห็นอันนี้สะ่ะอยากถามว่าปัญหาของชีวิตอยู่ที่ไหน พวกท่านจะได้รู้จักว่าทำไมที่ต้องฝึกปัญหาของชีวิตอยู่ที่ไหนปัญหาของชีวิตเนี่ยรู้สึกโลกเี้ปัญหาจะเยอะใช่ไหมเยอะมากมายเลยปัญหาชีวิตแต่มันปัญหาชีวิตมันมีแค่สองเรื่องเท่านั้นแหละและมันบวกไปกับมากมายเลยสองเรื่องคือหนึ่งปัญหาเรื่องกายสองปัญหาเรื่องใจปัญหาชีวิตมีสองเรื่องเท่านั้นเองเรื่องกายเรื่องกาก็จะบวกผูกพันไปทั่วเลย ตัวอย่างเช่นเรามีกายใช่ไหมจึงต้องมีบ้านเรามีกายใช่ไหมจึงต้องมีการหาอาหารเรามีกายใช่ไหมจึงต้องมีโรงพยาบาลเรามีกายใช่ไหมจึงต้องมีวัดเรามีกายใช่ไหมจึงต้องมีเมรุเพราะเรามีกายเนี่ยมันจะต้องมีรถยนต์มีบ้านมีโทรศัพท์มีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ใช่เพราะมีกายแล้วก็มีปัญหาในการที่แสวงหาสิ่งปัจจัยต่างๆมาสนองกายกายนี่เขาต้องการแค่ปัจจัย ปัจจัยเท่าไหร่กายเนี่ยสี่ใช่ไหมแต่เดนี้มันต้องการปัจจัยเท่ไหร่ผลสุดท้ายปัจจัยอะไรไม่รู้ปัจจัยหน้าตาปัจจัยชื่อเสียงปัจจัยศักิจสีมันนั่นไม่ใช่ปัจจัยของกายไหมไม่ปัจจัยปัญหาของกายเนี่ยแค่ปัจจัยสี่แล้วปัจจัยสี่เนี่ยกายนี่แก้ได้ไหมปัญหาของกายนี่แก้ได้ไหมปัญหาของกาเนี่ย เขาว่าปัญหาใดๆก็ตามเข้าแก้ได้แก้ได้นะปัญหานั้นจะไม่เกิดอีกแต่แต่บรรปัญหาใดๆก็ตามถ้าเราแก้แล้วมันเกิดอีกเ้าเรียกว่าแก้ไม่ได้เขาเรียกบรรเทามันได้หิวข้าวเราแก้ได้ไหมหิวข้าวแก้ได้ไหมแก้ได้ที่บันเทาได้ถ้าคุณแก้ได้วกว็บอกตั้งแต่วันนี้ต่อไปคุณจะไม่หิวอีกเลยนี่แก้ได้แต่เท่า เดี๋หิวเดี๋ยวหิวหิวอิ่มอิ่มแล้วเดีก็หิวอีกอิ่มอีกแก้ไม่ได้เรียนว่าบรรเทาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขานี่แก้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็เจ็บอีกเช้นปัญหาของกายเนี่ยจบแก้ไม่ได้มันจะแก้ได้ตอนไหนรู้ไหมเผาจบไม่มีเหลือโรคที่โรค็หมดอะไรก็ไม่เหลือไม่ต้องมีปัญหาอีกเผาทิ้ง จบเลยอยากเผาไหยอยากเผาตัวเอยหอันเนี้เขาเรียกวปัญหาของกายเร่จบคุณไม่ต้องไปคิดเลยมากปัญหาทั้งหมดเนี่ยปัญหาของกายเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วคุณเกิดมาแล้วคุณต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีปัญหากายจิตใจฝร น, นีแล้วจบปัญหาอีกตัวหนึ่งที่แก้ได้คือปัญหาของใจใจนี่แก้ได้รู้ไหม แล้วปัจจุบันเนี้ยสังเกตดูนะปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหาปัญหาส่วนให ญ, ญ่เป็นปัญหาของกายที่อของใจใจทั้งนั้นเนี่ยใจทั้งนั้ น, นที่เป็นเป็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเลยโกรธเขาก็ใจเกลียดเขาก็ใจโลภเขาก็ใจอยากเขาก็ใจใหงลงเขาก็ใจใช่ไหมหรือตัวเองหลงเขาก็ใจทุกอย่างแล้วปก็ิดมากก็ใจปัญหานี้เสียนรุงรังก็ตั้งหลายก็คือใจใจอยาก ใจไปกับความอยากแต่ถ้าเราฝึกสติดีๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหาที่ใจได้ปัญหาที่ใจเนะี่ยแก้ได้อย่างไคือออกจากมันได้ออกจากมันได้นั่นแหละคือแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเรามาฝึกช่วงสั้นๆเนี่ยสั้นๆเนี่ยเรากลังจะแก้ปัญหาชีวิตทั้งหมดของเราที่เป็นอยู่อยา่างที่พวกเราตั้งใจฝึกจริงๆถ้ามันไม่ดีนะ ผมไม่อยู่มายี่สิกว่าปีแล้วผมก็เหมือนพวกคุณนี่แหละอยากฝันแต่ละทีนี่เป็นโยมอยู่เลยอยากไปอยากเป็นอยากมีเหมือนท่านนั่นแหละแต่ทําไมผมจึงอยู่ได้เมื่อผมฝึกไปเยอะเข้าเยอะเข้าจะเห็นเลยว่าโลกไปนี้เนี่ยมันไร้าสาระไร้าสาระไม่มีอะไรเพิ่งได้เลยตัวเราเพึ่งได้ไหมกายเรายังพึ่งไม่ได้เลย แล้วจะไปพึ่งอะไรอีกแต่มันอาศัยอยู่เนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันก็ทิ้งเราใช่ไหมเราอยากทิ้งมันไหมไม่หรอกเสียดายมันจะตายร่างกายเราเนี่ยคนสุดท้ายเป็นยัไงมันทิ้งเราอ่ะตัวนี้ยังทิ้งเราแล้วคนอยู่ข้างๆเราคนที่ช่วยเหลือเราเขาสัญญาว่าจะไปกับเราไหมล่ะไม่หรอกถึงเวลาเขาก็ทิ้งเราเหมือนเดิม่ยคนสุดท้ายมันทั้งหมดบนโวกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระคำว่าไร้สาระคือพึ่งไม่ได้ ไม่ควรที่จะไปยินดีกับมันไม่ควรเลยแต่ด้วยกำด้วยกําลังของสติกําลังของสมาธิกําลังของปัญญาเราไม่มีมีแต่กําลังของกิเลสตัณหามันเยอะกําลังของความคิดมันเยอะมันเลยพาให้ว่าคิดว่าไอ้นั่นก็จะช่วยได้คิดว่าไอ้ น, นี่จะช่วยได้คิดว่าไอ้ น, นู้นก็จะช่วยได้ดนนไดมีไหมอะไรมี่ช่วยได้ให้เราไม่ตายอ่ะมีไหมมีไหม <c oughs> ไม่มีใช่ไหมเราได้มา เราได้อะไรมาปุ๊บเราต้องเสียสิ่งนั้นไหมทุกคนเนี่ยได้เงินมาตั้งเยอะแยะมากมายแต่เงินที่ทุกคนมีอยู่ต้องเสียไหมมันเป็นแค่ทางผ่านมันเป็นแค่ของที่ผ่านมันแค่จอดมาพักกับเราเดียวเดียวแล้วก็ไปแต่เราไปหลงมันเฉยไปหลงมันเฉยที่หลงมันเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกปัญญาฝึกแต่คิดฝึกแต่นึกฝึกแต่โลกฝึกแต่หลงมันก็เลยเป็นอย่างนี้ มันก็เลยมีปัญหาทั้งใจตลอดเงินทองที่หามาไม่พอใช้เพราะใช้อะไรใจมันใช้ก่อนใจมันใช้ก่อนนะอย่างอยากซื้อนั่นซื้อนี่เนี่ยอะไรมันอยากก่อนใจมันอยากก่อนใช่ไหมแต่เวลาหาเงินใครหากายมันหาใช่ไหมแต่เวลาใช้ใครใช้ใจมันใช้แล้วใจมันใช้เนี่ยกระว่าร่างกายมันใช้เนี่ยอันไหนมันใช้มากกว่ากันใจเห็นอะไรก็ ปรงแตง่ได้ยินอะไรก็เอาแล้วนะได้กินอะไรก็เอาแล้วใช่ไหมอยากสารพัดมันใช้มันใช้ทางตาหูจมูกลิ้นกาใจเนะี่ยใช้รูปใช้เสียงใช้กลิ่นที่รสเนี่ยเป็นตัวใช้ฉันเงื่อนไขคืออยากให้คุณมีสติคือรู้สึกตัวแล้วมันจะเกิดสํานึกที่โอตปะเองมันฝึกดีๆเถอะครับอย่าไปคุยกันอย่าเพิ่งไปคุยกันอย่าเพิ่งไปอะไรกันคุณมีเวลาที่จะดูตัวเองแค่หกเจ็ดวันเนี่ย ถ้าคุณได้ดูตัวเองอย่างเต็มที่แล้วแล้วคุณเห็นพฤติกรรมคุณจะไปแก้ตัวเองได้พระคลองคอก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกพระคองคคุณยังยกแก้วเล่าข้ามหัวพระอยู่คุณยังไม่รู้สึกอ่ะใช่ไหมแต่ในใจของคุณถ้ามีสติสัมปชัญญะตรงนี้เกิดขึ้นเผมรับประกันได้เลยว่าคุณเปลี่ยนแต่คุณต้องทำก่อนใช่ไมคุณจะได้เงินมาเนี่ยอยู่ๆแล้วมันได้มาได้เดี๋ยวคุณต้องทางานก่อน ต้องทำงานก่อนถึงจะได้เงินใช่ไหมจะถูกหวยต้องซื้อไหมถ้าไม่ซื้อลวจะถูกได้ยังไงถ้าซื้อผิดก็ถูกค้อจริงใช่ไหเหมือนกันคุณต้องใช้ความเพียรของคุณก่อนแล้วผมจะช่วยคุณได้ไหมผมจะทำแทนพวกคุณได้ไหมผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่สามารถช่วยคุณได้เลยผมพ่อท่านก็ช่วยคุณไม่ได้แต่ลวงพ่อพยายามจัดเหตุปัจจัยให้ผูคุณทา เพื่อพวกคุณจะได้เราไม่มีใครได้อะไรจากคุณเลยนะคุณได้เขาคุณเต็มเต็มเหมือนคุณมาทำปุ๊บเนี่ยคุณได้เขาคุณเต็มเต็มเลยนะพวกเราพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ส่งหนึ่งข้าวปลาอาหารเขาก็ไม่ได้บุญกับคุณหรอกเขาได้เขาได้ส่วนที่เขาได้สละของเขาเองที่เขาได้ฝึกสละแต่เราเนี่ยพอได้ภาวนาปั๊บเนี่ยเราจะได้บุญเต็มเต็มเลยแล้วบุญภาวนาทํำไมผู้บอกมันมันแรง มันมากกว่บุญวัตถุฐานเนี่ยเพราะว่าบุญภาวนาเนี่ยเป็นบุญที่เข้าไปชําระจิตใจโดยตรงไม่เหมือนกับบุญชําระวัตถุเอาวัตถุออกไปเนี่ยมันเป็นบุญภายนอกแต่บุญภายในใจเนี่ยถ้าเราชําระจิตใจของเราได้โดยตรงพุกเนี่ยใครได้เราได้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยฉนันเวลาที่มีอีกไม่กี่วันเนี่ยให้พยายามตั้งใจคุณได้ของคุณทุกคน แต่คนตั้งคนไหนตั้งใจน้อยก็ได้น้อยคนไหนตั้งใจมากก็ได้มากมันตามสัด ส, ส่วนของความตั้งใจสัด ส, ส่วนของความมุ่งมัน่นสัด ส, ส่วนกานพัฒนาตัวเองอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากตอนนี้นะขอแค่หกเจ็ดวันนี้ทำเรื่องนี้จริงๆดูมันไม่นานมันไม่นานผมเชื่อได้ถ้าคุณทมจริงๆนะรู้สึกตัวทุกขณะเลย แล้วคุณจะเห็นตัวเองไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทําอะไรก็ตามมันมีการเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นพฤติกรรมของตัวเองเราเป็นยังไงแล้วนี่แหละมันจะเริ่มมีการสารภาพบาปสำนึกบาปแล้วก็ละบาปแล้วฮีริโอตาปะก็จะเกิดขึ้นเนี่ยขันติก็จะมาเองความอดทนอดกลัน้นสมาธิก็จะมาสติก็จะมาขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมือเลี้ยงใจทุกๆคน แต่ทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถึงไม่มีอะไรก็มีความสุขเพราะความสุขมันไม่อยู่เนเงื่อนไขของการต้องมีอะไรผลสุดท้ายถ้าเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีความสุขจริงอ่ะโอ้ยฉันอยากมีรถใหม่ๆสักคันหนึ่งพอมีรถใหม่ๆสักคันหนึ่งแล้วฉันมีความสุขจริงอ่ะพอฉันได้รถคันนั้นมาปุ๊บฉันมีความถูกคือมีความทุกข์ดอกมาจากไหนเอาอะไรกระส่งห่าน้ำมันต้องเติม ใช่ไหมค่าซ่อมค่ารักษาเดี๋ยวเกิดประสบอุบัติเหตุเป็นยังไงอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นปัจจัยภายนอกมันไม่ได้ช่วยสร้างความสุขหรอกมันช่วยสร้างความทุกข์เพิ่มเติมอย่าไปหลงอย่าไปหลงว่ามันชิดว่าจะสร้างความสุขให้คุณหรอกแต่ปัจจัยภายใถ้าคุณชําระจิตใจของคุณได้ความสุขที่ไม่จําเป็นต้องมีสตังค์จะเกิดขึ้นเมื่อมีความสุขแบบนี้อยู่ยังไงอยู่ที่ไหนอยู่แบบไหนก็ได้ สบายสบายเรื่องหากินเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่ปล่อยตัวเองตายหรอกใช่มแม้แต่สัตว์เนกระชับยังไม่ปล่อยตัวเองให้ตายเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากที่ทุกวันนี้ใจเราไม่มีความสุขเพราะเราหาความสุขไม่เจอแล้วความสุขที่หาเนี่ยไม่ใช่ต้องหาในอนาคตหาเดี๋ยวนี้นะครับฉนั้นให้เราตั้งใจฝึกสติคือระลึกสติคือตัวระลึกระลึกที่กาย อย่าไปเรื่องที่อื่นนอกกายไม่เอาเวลาเราทํานะอย่าสนใจเรื่องที่ปัญหาอย่าสนใจเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแล้วลอย่าไปนสนใจเรื่องที่ยังวางไม่ถึงมันเป็นความฝันมันทําอะไรกับมันไม่ได้ไม่ใช่ความจริงแต่ให้สนใจเรื่องขณะเฉพาะหน้านี้ให้เป็นเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆเน่ยเรื่องจริงๆ จ, จะสุขจะทุกข์จะดีจะช่วยจะอะไรก็ตามเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปัญหาทั้งหมด่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ เราพร้อมที่จะดูไหมเฮ้เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งปุ๊บเนี่ยเราหัดรู้รู้แบบก่อนเคลื่อนไหวอย่าไปสนใจหลังเคลื่อนไหวก็อย่าไปสนใจสนใจการเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นที่ะักขณะที่ะักขณะที่ลังตามที่มันกำลังเป็นนี่แหละมันจะทำให้เราเนี่ยจิตเราจะได้สบายหมดเรื่องพรุ่งนี้หมดเรื่องเมื่อวานหรือจะเรื่องวันนี้ปัญหาน้อยลงไหมน้อยลงใช่ไหมอ่ะ แต่จะไปเอาเรื่องเมื่อวานเรื่องเมื่อวานยี่สิบปีสามสิบปีมาเป็นยังไงรู้หรือโจอย่างง่ายงายใช่ไหะใครคนหนึ่งทําให้เราโกรธมันก็ทําเมื่อเดือนที่แล้วทําให้เราโกรธแค่ครั้งเดียวแต่เชื่อไหมเราเอาพฤติกรรมที่เขาทาให้เราโกรธมาสร้างให้ตัวเองโกรธอีกได้เป็นร้อยร้อยครั้งเป็นพันพันครั้งใช่ไหมเอามันทําเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคิดถึงหน้าอีคนนี้ทีไรแล้วขึ้นทุกทีเลยใช่ป่ะ เห็นของมันขึ้นทุกคีเลยเห็นว่ามันขึ้นทุกคีเลยใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องจริงๆมันมีไหมมันมีไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมันจบไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแต่ที่เหลือคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมปลอมทั้งนั้นแล้วแล้วเราก็ทุกที่จริงเราทุกข้อของจริงหรือของปลอมของปลอมเอามานเนี่ยมาคิดเรื่องอนาคตเหมือนกันจะเป็นนั่นจะเป็นนี่จะได้นั่นจะมันก็เป็นเรื่องที่อนาคตไปมันเรื่องปลอมทั้งนั้นเรื่องฝันฝันแต่เรื่องเฉพาะหน้านี่แหละเป็นเรื่องความจริง คุณจะฝึกจิตฝึกใจต้องฝึกเดี๋ยวนี้ต้องรู้สึกเดี๋ยวนี้ต้องศึกษาเดี๋ยวนี้ต้องทำเข้าเข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะเห็นความสบายเดี๋ยวนี้เช็ดไม่ต้องรอให้เสียเวลามันง่ายมันเร็วเวลาฝึกภาวนานยันเงื่อนไข ค, คือให้มีสติคือหัดระลึกรู้อยู่เดี๋ยวนี้ก่อนอย่าสนใจหลังอย่าสนใจสนใจเดี๋ยวนี้แต่ที่หลวงพ่อไดให้ทา ดูสิเช็คดูด้ว่าหนึ่งนาทีเนี่ยได้กี่กี่รอบเพื่อเช็คความตั้งใจขรอราสนใจมันเท่าไหร่สนใจมันถูกไหมฉันให้สนใจแค่ขณะเดียวฝึกสติขณะเดียวเอาแค่ขณะเดียวไม่เอาที่ผ่านมาแล้วไม่สนที่ยังมาไม่ถึงไม่สนไม่ใช่อ่ะนั่งสร้างตัอ น, นีเอ้เมื่อไรจะถึงวันที่หกสักทีว่า เนี่ยชิงที่หก ท, ที่ที่ว่าคนที่บ้านกันยังไงว่าเดี๋ยวก็จะไม่ทำท่านนี่ว่าโอ้ฝนสุดท้ายตัวเองนั่งอยู่นี่เป็นยังไงอ่ะอปวดทรมานเลยก่นว่าจะไปได้ไหมก็ไม่ได้อีกใช่ป่ะคนท้ายใครทุกเราทุกฟรีๆแทนที่อยู่เดี๋ยวนี้ยเราจะสแสวงหาประโยชน์เกิดจากเกิดขึ้นเดี๋ยวเนี้เพราะประโยชน์ทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่เนี้ยแทนที่เราจะสแสวงหาให้มันมันได้กลับไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเสติจจ ระ ล, ลึกถึงปั จ, จุบันขณะไม่ได้ระลึกถึงเดียวนี้ยีเวลาเดี๋ยวนี้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงฝึกนะให้มีฮีริให้มีโอตะ ป, ปะให้มีสติสติสัมปชัญญะแล้วคุณธรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นคุณธรรมฝ่ายกุศลมันจะหลั่งไหลมาหาเราเองโดยเราไม่ต้องไปเชื่อเชิญมันหรอกมันมาเองมันนะมันมาเองมันทั้งหมดเลยนะดนั้นให้พยายาม ให้เปิดเผยความชั่วของตัวเองแล้วให้เห็นวิบากกรรมคือโทษภัยของวิบากกรรมที่ตัวเองได้กระทำไว้มันไม่เป็นไรหรอกผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีคนไหนชั่วตลอดการและไม่มีคนไหนดีตลอดกานถ้าคนนั้นยังไม่ตายถ้าคนนั้นตายแล้วเนี่ยมันชั่วตลอดการมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันตายแล้วมันต้องชั่วไปตลอดการนแหละ แต่คนได้ดีเหมือนกันก็ไม่แน่ใช่ไหมวันนี้อาจจะดีก็ได้แต่วันหน้าอาจจะโ่วก็ได้ถ้าเขายังไม่ตายเน่มันเปลี่ยนได้ตลอดนะ่ะแต่เราจะเปลี่ยนเราไหมท่านเองไม่มีใครเปลี่ยนให้เราหรอกฉันจะไปคิดว่าตัวเองชั่วและชั่วเลยไม่มีทางคนชั่วกลับดีก็มีแล้วตัวเองจอะไปประมาทนะว่าตัวเองดีแล้วดีเลยไม่แน่ดีทั้งหลายทัานกัวกลับไปชั่วก็ได้ฉันผมเลยว่าไม่มีใครหรอกถ้ายังไม่ตายแก้ไขไม่ได้นอกจากมันแก้ไม่ได้อย่างเดียวคือ คนนั้นไม่ยอมแก้ตัวเองแก้ไม kind of ่ได้คนนั้นไม่ยอมแก้ตัวเองแล้คือมันแก้ไม่ได้แต่คนนั้นยังฝนมฝอยที่จะแก้ตัวเองยแก้ได้ทุกคนพระเจ้าย ok. ังยังแก้องค์ุลิมาแน่เลยใช่ไหมเราเคยฆ่าใครมาสักเท่าไหร่องค์ุลิมาฆ่าคนเป็นพันๆพระเจ้ายังแก้ได้เลยใช่ไหมแต่พระเจ้าท่านแก้แก้เทวทัตได้ไหมไม่ได้เพราะเทวทัตไม่ยอมแก้ใช่ไหมพระเจ้าให้โอกาสทุกทุกคนนั่นแหละ ทุกคนนี่แหละไม่มีใครชั่วมาก่อนแล้วก็มีใครดีมาก่อนมันมาที่จะทํำมาดีหลังแล้วก็มีใครจะชั่วหรือจะดีแต่ตลอดไปหรอกถ้ายังไม่ตายมันติดมันคลิกไปพิกมาพิกไปพิกมาอยู่ด้วยแต่เราพัฒนาจิตที่เราให้ดีแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่บนโลก น, นี้ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความคลิกไปพิกมาของสิ่งเหล่านๆๆี้แหละท่ า, ากลางความยุ่อายุของสิ่งเหล่านี้แหละที่มันคอยหลอกให้เราหลงทางหลอกให้เราหลงทางคิดว่ามันเป็นทางที่จะดี แต่ไปทำแล้วมันไม่ดีฉะนั้นให้ตั้งใจผมช่วยพวกคุณไม่ได้แต่ผมเป็นเพื่อนพวกคุณได้ผมพัฒนาคุณไม่ได้คุณต้องพัฒนาตัวเองครูบาอาจารย์จะสอนคุณได้จะพาคุณได้ก็แค่นี้แหละแต่ถ้าตัวคุณเองมีครูบาอาจารย์ในตัวเองแล้วคือมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองแล้วรับประกันได้จากนี้ไปถ้าคุณตั้งใจชีวิตคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนแน่แ เพราะมันเปลี่ยนจากที่ไห <c oughs> เปลี่ยนจากรู้เป็นหลงก่อนตัวนี้ฝึกรู้ก่อนท้ายที่สุดนี้โอคอนโมทนาสาธุที่ทุกท่านได้มาบวชควรจะไหนจะบวชยาวบวชสั้นหรือบวชตลอดไปก็ไม่เป็นไรหรือคนไหนจะบวชสั้นแล้วสึกไปก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่จะดีที่สุดคือทุกคนเปลี่ยนใจิตใจตัวเองให้ได้จะบวชหรือไม่บวชไม่สาคัญสําคัญที่เปลี่ยนใจตัวเองได้ไหม เปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้ฝึกรู้น้อยๆฝึกรู้บ่อยๆฝึกรู้เรื่อยๆแล้วฝึกรู้ปัจจุบันขณนะเดียวแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นก็ขอให้ทุกคนจงมีจงได้รับอานิสงส์ครงการได้เข้ามาศึกษาในพระศาสนาและได้เจริญก้าวหน้าทุกๆคนมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตสามารถพัฒนาชีวิตให้ถึงที่สุดตามพระธรรมคาสอนอพระพุทธเจ้าคือ ค้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยการทุกท่านทุกคนเทือน